วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ยินดีในธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธี รักษาชีวิตของตนให้มีแต่ความสุขความเจริญชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่ได้ด้วยกันสองส่วนคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเองแต่จิตใจนี้ตาของร่างกายไม่สามารถที่จะเห็นได้ ใจิตใจนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญกว่าของร่างกายเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ประมาณร้อยปีก็ต้องถึงแก่ความตายไปแต่ใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้เป็นผู้ที่จะอยู่ต่อไปจะอยู่สุขหรืออยู่ทุกข์ก็อยู่ที่การกระทําของ ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเรารู้จักวิธีรักษาใจให้มีความสุขใจก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไปแต่ใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขต่อไปแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจให้มีความสุข มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาร่างกายตายไปใจก็จะต้องไปอยู่แบบทุกข์ยากลําบาก mm. การความตายของร่างกายนี้ไม่ไดไ้ไม่ได้หมายความถึงความตายของใจหรือของพวกเราพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจใจที่ มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นผู้ใช้ร่างกายให้ไปทําอะไรต่างๆถ้าพวกเราไม่มีคนสอนอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราคือให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกาย ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญซึ่งของเหล่านี้ก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกเวลาได้มาก็จะมีความสุขเวลาเสียไปก็จะมีความทุกข์ได้มามากน้อยก็ไม่อิ่มไม่พอต้องคอยหาอยู่เรื่อยและเวลาหานี้บางทีก็ จ, จะต้องหาโดยวิธีที่ไม่ถูก วิธีที่ไม่เป็นโทษกับตนเองก็คือวิธีด้วยวิธีทำบาปหาเงินด้วยวิธีช่อโกองหลอกลวงลักทรัพย์ของผู้อื่นมาอันนี้ถึงแม้จะได้ความสุขจากทรัพย์ที่ได้มาแต่ก็ได้โทษที่จะที่จะมาลงโทษจิตใจก็คือบาปบาปเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ใจทุกข์ และบาปนี้จะส่งให้ใจไปเกิดในอบายต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเหล่านี้อย่าส่งใจหรือดวงวิญญาณของพวกเหล่านี้ไปสู่อบายด้วยการไม่กระทำบาปให้ละการกระทำบาปทั้งปวง บาปก็มีอยู่สี่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเพณีสี่ 4. การพูดปดและห้าการดื่มชุลยายาเมาที่จะทำให้ขาดสติที่จะไม่สามารถยับยังเวลาใจคิดที่จะทำบาปได้ให้รักษาศีห้าให้ดี เพราะว่าถ้ามีศีลห้าแล้วใจก็จะไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็มีอยู่สี่สี่สถานที่ด้วยกันสถานที่หนึ่งเรียกว่าเดราชานคือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรฉ า, านต่างอันนี้เกิดจากการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ที่ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเวลาทํามาหากินอาจจะต้องเบียดเบียนผู้อาจจะต้องทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเพื่อความอยู่รอดของตนเองอันนี้เป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานใจของผู้ใดถ้าทําบาปเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพก็ถือว่าเป็นใสเป็นใจของสัตว์เดรัจฉานมมเมื่อตายไป ก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เนราชาไปใช้กรรมจนกว่ากรรมที่ได้สร้างไว้หมดลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆกก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอสิ่งที่ได้ด้วยความโลภนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับใจได้แต่กลับจะสร้างความหิวสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นมีแสนก็อยากจะได้ล้านได้มีล้านก็อยากจะได้สิบล้านมีสิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านและการที่จะได้เงินเหล่านี้มาแบบง่ายๆแบบมากๆแบบเร็วๆก็ต้องทําด้วยวิธีการหลอกลวงบ้างช่อกรงบ้าง ลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างถึงจะได้เงินเหล่านี้มาเวลามีชีวิตอยู่อาจจะมีความสุขจากการได้เงินทองเหล่านี้ไปใช้ไปเสกสุขกันแต่เวลาตายไปเนี่ยจะต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะมีแต่ความโลภความหิวแต่ก็ไม่สามารถไปหาสิ่งที่โลภที่หิวได้เพราะว่าเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกาย ก็เลยต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยดวงวิญญาณที่หิวโหยนี่ท่านเรียกกาเปรตดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าตอนเองขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้คิดทำบุญคิดแต่จะหาเงินหาทองเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอเวลาตายไป ก็ไม่มีบุญติดตัวไปเมื่อไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องมาอาศัยบุญของญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายมาเข้าฝันบ้างมาพบปะกับผู้ที่สามารถที่จะพบปะกันได้แล้วก็ขอส่วนบุญอันนี้คือทำทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปดงเป็นไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ทำร้ายก็ต้องก็เลยป้องกันตนเองด้วยการไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุ ร, รกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรัรฟันต่อฟันตาต่อตาใครทำเราเราต้องล้างแค้นอันนี้ตายไปก็จะไปอยู่เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่ถูกไฟของความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญเรียกว่าไฟนรกไปอยู่เนเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ไฟนรกเผาผลาญจิตใจจนกว่าบาปที่ได้ทําไว้นั้นหมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วเวลาได้กล mm. ับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มักจะกลับมาทําแบบเดิมอีกเพราะมันติดเป็นนิสัยมาใครชอบทําบาลด้วยความหลงก็จะทําบาปด้วยความหลงต่อไปทําบาปด้วยความโลภก็จะทําบาปด้วยความโลภต่อไปทําบาปด้วยความกลัวก็จะทําบาปด้วยความกลัวต่อไปทําบาปด้วยความมาคาดพยาบาทก็จะทําบาปด้วยความมาคาดพยาบาตรต่อไป มันจะติดเป็นนิสัยมาแล้วก็จะมากับมาทำแบบเดิมอีกแล้วพอตายไปก็จะต้องไปรับผลบาปอีกเช่นเช่นเหมือนกับขราวที่ขา ว, ขาวก่อนก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขตินี่คือทุกขติภพชาติที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้เราสามารถป้องกันได้ ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมสามารถมองเห็นดวงวิญ ญ, ญาณต่างๆที่ทำบาปว่าเวลาทำบาปแล้วจะต้องไปตกอยู่ในสภาพไหนบ้างก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังมืดบอดอยู่ ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมให้ละการกระทาที่จะบาให้ไปรับผลบาป ท, ที่ไม่มีใครปรารถนากันเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดีนานๆพวกเราจะมีโอกาสได้มาเจอคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง เมื่อได้เจอแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสอันวิเศษนี้สุดมือไปโดยไม่ได้รับประโยชน์พยายามปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีความมั่นคงด้วยการหมั่นศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนำมาไปปฏิบัติเวลาเรารักษาศีลได้นี่เราจะรู้สึกมีความสุข เวลาที่เราทำบาปนี่เราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์อันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ทำปุ๊บนี่มันจะผลมันจะแสะดงขึ้นมาทางใจ ท, ทันทีเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะรู้สึกไม่สบาย mm hmm. เวลาที่เราไม่ได้ทำบาปเรารู้สึกสบายใจไม่เดือดร้อน mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่เราวัดได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเรื่องของการที่ดวงวิญญาณของเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปนรกนี้เรายังอาจจะไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้นอกจากว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน คือถ้าเราอยากจะรู้อย่างที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหนอกจากการที่เราต้องรักษาศีลแล้วเราก็ต้องใบบำเพ็ญจิตตภาวนา<ม>การบำเพ็ญจิตตภาวนานี้คือการไปเบิดเบิดตาในของเราที่ตอนนี้กำลังมืดบอดด้วยโมหะาอาวิชชาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ความจริงนี้ถูกปิดกั้นด้วยโมหะอาวิชชาซึ่งเป็นรากเงาของกิเลส ของความโลภความโกรธความความอยากต่างๆให้เราไปบาเพ็ญจิตภาวนาซึ่งมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราบาเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้ใจเราที่มืดบอดก็จะสว่างขึ้นมาเหมือนคนที่ถูกที่ตาถูกอ ะ, อะไรมา มาปิดกั้นไว้มีคนเอาผ้ามามาปิดกั้นตาของเราทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรเหมือนกับคนที่เขาไม่มีอะไรปิดกั้นตาของเขาได้พอเราเอาสิ่งที่ปิดกั้นตาของเราออกไปปับ๊บเราลืมตาขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆทันทีนี่แหละคือการมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตัดสัตวก็เป็นเหมือนพวกเรา ก็มีความมืดบ่อยในเรื่องของจิตวิญญาณไม่รู้ว่าจิตวิญญาณนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนของ ส, ส่วนของร่างกายเป็นอีกร่างเป็นเป็นอีกร่างหนึ่งจะเรียกว่าร่างทิพย์ก็ได้วิญญาณนี้เป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์มีตาทิพย์หูทิพย์ไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีตาตายาก หูอยากมีร่างกายอยากจะเห็นกายทิพย์ได้ก็จะต้องเปิดตาไนขึ้นมาการจะเปิดตาไนขึ้นมาก็ต้องบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาเ<ม>ข้าสมาธิเข้าฌานพอจิตเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะสามารถมองเห็นตัวจิตได้เห็นตัววิญญาณดวงวิญญาณได้แล้วก็จะเห็นถึง สภาพของวิญญาณที่ทำบุญทำบาวว่าเป็นอย่างไรสภาพของจิตที่ทำบุญก็จะมีความสุขสภาพของจิตที่ทำบาวก็จะมีความทุกข์อันนี้ต้องอาศัยการบําเพ็ญจิตภาวนาทำใจให้สงบทำใจรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้เมื่อรวมให้เป็นหนึ่งแล้วก็จะเห็น เห็นใจที่เราไม่ตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายจะเห็นใจได้ต้องเปิดตาของใจเองขึ้นมาการจะเปิดตาของใจก็ต้องอาศัยการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจนิ่งสงบตาในก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เราเห็นว่าใจนี้กับร่างกายเป็นคนละส่วนกัน ร่างกายแก่เจ็บตายแต่ใจนี้ไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายใจนี้อยู่ต่อไปแล้วจะอยู่แบบทุกข์หรือแบบสุขก็อยู่ที่แบบหรือบุญที่ได้ทําไว้ในขณะนี้ที่มีชีวิตอยู่อันนี้จะเห็นชัดเจนจะไม่ลังเลสงสัยภาษาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆลู ก, กมีการบําเพ็ญจิตตภาวนา จนบรรุทรรมขั้นต่างๆขึ้นมาทำให้เห็นสิ่งที่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นของลึกลับไม่ได้เป็นของที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้พีงแต่ว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียพรพยายามที่จะศึกษาวิธีพิสูจน์ แล้วก็นำมาไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเ mm hmm. มื่อปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. ก็จะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็น mm hmm. แล้วก็จะไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ mm hmm. ของจิตใจจิตใจขณะที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจ mm hmm. พอเวลาร่างกายตายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ mm hmm. เราจะ สามารถดูหนังตัวอย่างในขณะที่เรานอนหลับได้เวลาที่เรานอนหลับนี่เป็นเหมือนกับเรานอนเราตายชั่วคราวเพราะขณะที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเมื่อเราไม่ได้ใช้ร่างกายตะดวงวิญญาณก็เลยไม่ได้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาใส่เราก็จะเห็นสิ่งที่ บุญนู้ที่บาปที่ดวงวิญญาณผลิตขึ้นมาด้วยรูปแบบของความฝันเวลาเราฝันนี่ล่ะแสดงว่าใจเรากาลังอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็เอาเรื่องที่ได้ไปทำบุญทำบาปมามาแสดงให้ให้จิตได้เสพได้สัมผัสในขณะที่ร่างกายนอนหลับถ้าฝันดีก็แสดงว่า เป็นอนิสงส์เป็นผลของการทําบุญต่างๆที่เป็นผู้ผลิตความฝันดีให้กับจิตใจได้เสพได้สัมผัสถ้าฝันร้ายฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันแต่ที่มีแต่เรื่องของความทุกข์ต่างๆทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ด้วยความโลภทุกข์ด้วยความกลัวทุกข์ด้วยความราคาตพยาบาทนี่มันก็จะสร้างเรื่องที่มีแต่ความน่า น่ากลัวต่างๆให้จิตได้เสพได้สัมผัส น, นี่แหละคือลักษณะของโลกทิพย์ของโลกที่เราจะไปกันหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราจะถูกกำนาของบุญและของบาปเป็นผู้สร้างโลกให้กับเราได้เสพได้สัมผัสถ้าเป็นถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญ บาปก็จะมีกําลังมากกว่าบุญก็จะสร้างโลกของอบายให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะสร้างโลกของสวรรค์ให้เราได้เสพได้สัมผัสเราก็จะฝันแต่เรื่องดีๆฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปพบกับคนนั่นคนนี้ที่เป็นคนดีมีความเมตตาอบอ้อมอารีใจบุญใจกุศล เพาในช่วงที่เราทําบุญเราก็มักจะไปพบกับคนเหล่านี้นั่นเองเวลาเราทําบุญเรามักจะไปเจอกับคนใจบุญกันไปร่วมทําบุญกันไปทําในสิ่งที่ดีไปสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งต่างๆที่เราทํานี้มันจะถูกบันทึกไว้ในใจเราที่เรียกว่าสัญญาความจําใจเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือสามารถบันทึกภาพและเสียงต่างๆที่เราได้ไป ก็ตามสถานที่ต่างๆเราสามารถถ่ายภาพเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้ <Yeah. S 1> แล้วก็จะเก็บไว้ในมือถือชั <Yeah. S 1> ้นใดเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปกระทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันก็จะถูกบันทึกไว้ในใจของเรา <Yeah. S 1> แล้วมันจะแสดงผลออกมาตอนที่เราไม่มีร่างกายหรือตอนที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นตอนที่เวลาที่เรานอ น, อนหลับ yeah. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนหลับกับเวลาที่เราตายนี้จึงไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ใจไม่สามารถใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาสิ่งต่างๆมาเสร็จมามาสัมผัสได้ก็เลยต้องอาศัยสิ่งที่ได้กระทำไว้ในอดีตมาเป็นเรื่องราวต่างๆให้ได้เสพได้สัมผัสกันนี่แหละคือลักษณะของ ของสวรรค์ก็ดีของอบายก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของความฝันทั้งนั้น <Yeah. S 2> ขณะที่ร่างกายหลับไปก็จะฝันร้ายบ้างหรือฝันดีบ้าง <Yeah. S 2> ฝันร้ายก็เป็นอบายฝันดีก็เป็นสวรรค์ <Yeah. S 2> เวลาตายไปก็เป็นแบบเดียวกัน <Yeah. S 2> เวลาไม่มีร่างกาย <Yeah. S 2> ใจก็จะสร้างเรื่องสวรรค์หรือสร้างเรื่องอบายขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่า ทำบาปมากกว่าทําบุญหรือทําบุญมากกว่าทําบาปเท่านั้นเองอก็จะเสพความสุขหรือความทุกข์จากการได้ทําบุญหรือทําบาปไปจนกว่าบุญหรือบาปนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่แล้วพอมาเกิดใหม่ก็จะมาทําแบบเดิมอีกถ้ามีนิสัยชอบทาบาปก็จะทาบาปต่อไป ถ้ามีนิสัยชอบทำบุญก็จะทำบุญต่อไป<ม>พวกที่ทำบุญก็จะเวียนว่ายในสุขคติ<ม>ในภพที่มีแต่ความสุข<ม>คือคือสวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>ส่วนพวกที่ทำบาป ก, ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในอบาย<ม>ในภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความมากกว่าความสุข<ม>ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบ ก, กับพระพุทธพระธรรม หรือพระสงฆ์ที่จะบอกวิธีให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ซ้ำซากมันก็เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันพอตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้นับจำนวนพบชาติไม่ได้มันมากมายจนกระทั่งไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลข พุทธเจาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ปริมาณของพบชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี้ท่านบอกว่าต้องเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้เรามากักจะต้องร้องไห้กันเวลาเราเจอกความทุกาข์เจอความเศร้าโศกเสียใจให้เราเอาน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันไว้การวรวบรวมทั้งหมด น้ำตาที่เราได้หลั่งมานี้ท่านบอกว่ามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าน้ําในมหาสมุทรนี้มากมายขนาดไหนแล้วภพชาติที่เราจะต้องมาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจด้วยความทุกข์ต่างๆนี้มันจะต้องมีกี่กี่ภพกันกว่าจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือสถานภาพของพวกเราในปัจจุบันนี้พวกเราเป็นเหมือนนักโทษ ที่ติดอยู่ในคุกตารางของสังสารวัตรของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในกามาพบในรูปมาพบในอรูปประพบพบทั้งสามนี้มีแบ่งแยกไว้สําหรับผู้ที่เสพถ้าเสพการรมก็ไปเกิดในกามมพบถ้าเสพรูกประชานก็ไปเกิดในอรูปประพบถ้าเสพอรูปประชานก็ไปอยู่ในอรูปประพบ พวกที่เสพกามก็พวกที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้เป็นเ่เป็นพวกที่เสพกามนอกจากมนุษย์แล้วก็มีสัตว์ในราฉานมีเปรตมีอสุนกายมีสัตว์นรกแล้วก็ทางสุคติก็มีพวกเทวดาชั้นต่างๆนี่เป็นพวกที่อยู่ในกามะภพเพราะพวกนี้ยังเสพกามอยู่ยังติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพละอยู่ เวลามาเกิดแต่ละครั้งก็จะมาเกิดเพื่อมาเสพกลางนี้เองมาเสพ ร, รูปเสียงกิริดรสต่างๆแล้วการหารูปเสียงกิริย์รสมาเสพก็บางทีก็หามาโดยวิธีไม่ต้องทำบากบางทีก็หามาโดยวิธีทำบากถ้าไปาทํทำบาปเวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายพวกที่หารูปเสียงกิิยรสมาเสพโดยไม่ต้องทาบาปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย แล้วก็ถ้ามามีมีทรัพย์มีสมบัติมากเกินกว่าที่จะใช้เองได้ก็เอาไปแบ่งเอาไปแจกให้ผู้ไปทำบุญทำทานก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆในกามภพส่วนพวกที่พวกที่เป็นนักบวชพวกที่เสพรูปประชาน ตรงนี้เขาเห็นว่าความสุขของการเสดรูปประชานหรืออรูปประชานนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเสดกางตรงนี้เวลาที่ร่างกายเขาตายไปดวงวิญญาณเขาก็จะไปอยู่ในรูปภพเป็นภพของพรมแล้วก็มีมสองภพด้วยกันรูปภพเกิดรูปภพอรูปภพก็คืออรูปภพรูปภพก็ผู้ที่ได้เสดรูปประชาน ผู้ที่สามารถเข้าถึงรูปฌานได้ส่วนพวกที่ไปอยู่อรูปภพก็คือพวกที่สามารถเข้าถึงอรูปฌานได้แต่ทั้งสามภพนี้ก็เป็นภพที่ไม่ยั่งยืนถาวร อ, อยู่ภายใต้กฎของใจรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไปแล้วเมื่อบุญส่งไปหมดกําลังลงหรือบาปส่งไปแล้วหมดกําลังลงก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในภพของมนุษย์ แล้วก็จะกลับมาทำแบบเดิมอีกพวกที่เสพการด้วยการกระทาบาป ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก็จะกลับมาเสพการด้วยการกระทำบาปพวกที่เสพการโดยไม่ได้โดยไม่ทำบาปแต่ทำบุญก็จะกลับมาเสพการมาทำบุญอีกส่วนพวกที่เสพรูปฌปานเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็จะไปเป็นนักบวชกันไปไปเข้าฌานกันไปเป็นนักบวชไปปฏิบัติธรรม พวกที่ได้รูปประชานหรือรูปอรูปประชานก็จะเป็นพวกนักบวชกันแต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เรามาเติมบุญเติมบาปกันนั่นเองภพอื่นๆนี้เป็นภพที่เราไม่สามารถไปเติมบุญเติมบาปได้เป็นภพที่เราไปรับผลบุญผลบาปมีภพของมนุษย์นี้ที่เป็นภพที่เรามาเติมบุญตามเบุญเติมบาปกัน เวลาไปเกิดพบเือนนี้เราไม่มีเวลาที่จะไปเติมบุญเติมบาปเพราะเราต้องไปรับผลบุญผลบากปกันมีพบของมนุษย์นี้เท่านั้นที่เราเป็นจะมีเวลามาสร้างบุญมาสร้างบาปหรือมายุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาสอนมาบอกวิธีให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด ว่าให้ทำอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาสอนนี้จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้เลยต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนเป็นเป็นคนเป็นคนแรกพระพุทธเจ้านี้เป็นคนแรกในยุคของพุทธการในยุคสมัยของพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและการจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะหยุดยุติได้อย่างไร<ม>แต่พอมีพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายเสด็จทศมามาบวช ด, <ม>ด้วยการเห็นความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตาย<ม>เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชจึงทําให้พระองค์นี้เกิด ปัญญาโผล่ขึ้นมาว่าการมาเกิดนี้มันไม่ดีเลยการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายและการที่จะดูดพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นเพราะถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชนี้จะไม่มีวิชาความรู้พอที่จะสามารถสอนใจให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองก็เลยทรงตัดสินใจออกบวช อ่าวชแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมอยู่หกปีจนในที่สุดก็ได้ตัดสัลุพระอริยสัจสี ร, รู้ถึงต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการหาความอยากความอยากที่อยากจะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงขีนรดต่างๆนี่เองหรือความอยากที่จะเสพรูปประชานหรือความอยากที่จะริบรูปประชาน ปัญหาทั้งสามนี้เป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบถ้าอยากในกาลอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็มาเกิดในกามาพบถ้าอยากจะเสพ ร, รูปประชานก็ไปเกิดในอารูปอารูปภพถ้าเสพอารูปประชานก็ไปเกิดในอารูปภพแต่ไปอยู่ภพเหล่านี้แล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เวลาบุญหรือบาปที่ส่งไปหมดกําลังลงก็จะกลับมาเติมบุญเติมบาปต่อไปตามนิสัยเดิมจนกาจะได้มีโอกาสได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางพระไตรปิฎกก็ดีหรือผ่านทางพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะมีคนสอนบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้มีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงได้ การที่จะไปการที่จะไม่ไปเกิดในอบายก็มีทางที่จะทําทได้สามารถปิดประตูอบายได้ด้วยการไม่กระทําบาปด้วยการรักษาศีลหา้าแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์<ม>เวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ก็ทําบุญทําทานอย่าทําบาปทำทำแต่บุญ<ม>แล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ให้ไปปฏิบัติธรรม ไปตัดกิเลสตัดความอยากทั้งสามประการ น, นี้คือตัดกามาตฐานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากเสพกรารความอยากจะเสพรูปประชานความอยากจะเสพมาลูปประชานสําหรับผู้ที่เบื่อต่อการกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปไปปฏิบัติธรรมไปยุติความอยากความอยากเสพกรารก่อน ตอนที่เราจะหยุดความอยากเสพรูปประชานเลื้อรูปประชาได้ขั้นต้นเราต้องหยุดการเสพเสพกรรมให้ได้ก่อนและการจะเสพกรรมนี้เราก็ต้องอาศัยรูปประชาหรือรูปประชานเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าเราไม่มีรูปประชาหรื้อรูปประชานนี้เราจะไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากที่จะเสพรูปเสียงจิตลดผลสภาชนิดต่างๆได้ ในเบื้องต้นเราก็ต้องและในเบื้องต้นก่อนที่เราจะได้รูปประชานหรือลูปประชานเราก็ต้องอาศัยการถือศีลของนักบวชมาเป็นตัวคอยสกัดกั้นความอยากที่จะเสพการเนี่ยพวกนักบวชทั้งหลายนี้เขาจะถือศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างศีลสอง้ยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อบ้างถ้าเป็นภิกษุณี แต่สมัยนี้เราไม่มีเพศสุนีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือศีลสิบเป็นแม่ชีไปศีลแปหรือศีลสิบเป็นแม่ชีไปแทนต้องใช้ศีลมาช่วยสกัดกัน้นความอยากการความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลธภัพเพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เสบกามศีลห้านี้ยังอนุ ญ, ญาตให้เสบกามได้เช่นยังให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ แต่ถ้ามาถือศีลแปแล้วจะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของตนหรือไม่ก็ตามไม่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดด้วยการหลับนอนกับผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ให้มาเพิ่มข้อ6ไม่ให้เสพความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารได้ตามความจำเป็นของนั่งกาย ซึ่งวันละครั้งสองครั้งก็พ อ, พอเพียงแล้วแต่ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>เพื่อจะได้สกัดกั้นการมาตัณหาความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเอง<ม><ม>เพื่อที่จะได้มีเวลาเอาไปทําใจให้สงบสร้างรูปประชานหรือสร้างอรูปประชานขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่มีรูปประชานหรืออรูปประชานนี้ใจจะไม่มีกาลังที่จะฝืนที่จะหยุดความอยากได้ ต้องมาสร้างรูปประชานหรือรูปประชานกันบางต้นก็ต้องมีเวลาต้องระงับการเสพการศิลงข้อหก็ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วศิลข้อเจก็ไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่รงองพวกบันเทิงมหัศลศพต่างๆเช่นภาพยนตนร์ลครหรืออะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้มีอยู่ในมือถือของเรานี่พวกเราที่เปิดโทรศัพท์มือถือกันนี่ส่วนใหญ่ก็เสพกามนี เสพรวบเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ของสถานที่นั้นของสถานที่นี่กันเสพแล้วก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขกันไปวันวันหนึ่งแต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวพอเวลามันจางหายไปก็ต้องเสพใหม่ถ้าเวลาไหนไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเจอกับความทุกข์ขึ้นมาให้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการเสพการ ด้วยการมาเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตใจสงบให้เข้าสมาธิให้ได้ต้องจะมีจะมาปฏิบัติทำเจริญสตินั่งสมาธิได้ก็ต้องระ ง, งับการเสพการในรูปแบบต่างๆเรียกว่าเป็นการเจริญเนคขมมะเนคขมมะแปลว่าการระ ง, งับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการร่วมหลับนอนกับ คนนั้นคนนี้ก็ตา่างหรือร่วมร่องรับประทานอาหารตามความอยากก็ตา่างหรือดูมหรสพบันเทิงต่างๆหรือเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นเรื่องของการเสพกามเป็นความสุขที่อยากที่จะทำให้ติดที่จะทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดในกามาพบต้องเลิกเสพกามให้ได้ การใช้ศีลมาห้ามนี้ยังไม่สามารถที่จะเลิกเสพกามได้อย่างอย่างอย่างถาวรเพียงแต่คอยห้ามมาไว้เป็นเหมือนทำรั้วกั้นไว้ไม่ให้มันออกไปเสพกามแต่รั้วนี้ก็เป็นรั้วที่ไม่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรวันใดก็อาจจะพังลงไปก็ได้คนที่มาบวชอาจจะบวชได้ไม่นานพอกำลังสู้ความอยากไม่ไหวก็ต้องลาสิกขาไปก็มี ศรัทธาญาติโยามที่มาถือศีลกันบางทีก็อยู่ได้สามวันบ้างห้าวันบ้างพอหลังจากนั้นก็ทนอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะกำลังของความอยากที่จะเสพการ ม, มันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความ ห, มดหุดหงิดสร้างความไม่สบายใจจนกระทั่งทนสู้กับมันไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่หมั่นเจริญสติไม่หมั่นนั่งสมาธิจะไม่สามารถสู้กำลังของความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ จึงต้องนอกจากการมาถือศีลแปแล้วก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันเพราะว่าถ้าเราสามารถนั่งสติจเจริญสติได้เวลานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบระงับจากความความอยากที่จะเสพกางนี่ดังนั้นในเบื้องต้น เรายัางต้องอาศัยลูก ป, ประชานหรือลอูก ป, ประชานเป็นเครื่องมือในการที่เราจะเอามาใช้หยุดการเสพเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลเสพเพื่อเราจะได้ตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามะพุถ้าเราไม่มีกมามตัญหาไม่มีความอยากเสพกามแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปเช่นพระนาคามีพระจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ยังมีความอยากอยู่ก็ยังจะอาจจะต้องกลับมาอีกแต่ไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากพระสกิราคา ม, มีก็จะยังมีความอยากอยู่แต่น้อยเบาบางลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกพบเดียวชาติเดียวถ้าเป็นพระนาคามีนี้สามารถตัดความอยากเสพกามได้อย่างท้าวรก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดในกามมาพบอีกต่อไป แต่สําหรับผู้ที่ได้รูปปัจจานหรืออารูปปัจจานนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่อีกเพราะว่ายังติดในในการเสพรูปปัจจานในการเสพอารูปปัจจานอยู่หลังจากที่ใช้ศีลและใช้สมาธิคือรูปปัจจานหรืออรูปปัจจานระงับความอยากเสกการมได้แต่การระงับความอยากเสกกรรมนี้เป็นการระงับแบบชั่วคราว ก็ระ ง, งับแบบสติเวลาอยากจะเสดกรรมถ้าเรามีกำลังสติมากพอเราก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เวลาใจเข้าสู่ความสงบความอยากจะเสดกรรมก็จะหายไปแต่ไม่หายแบบถาวรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเอาหินไปทับหญ้าความอยากเสดกรรมนี่เป็นเหมือนต้นหญ้านะเวลาที่เราเข้าสมาธิก็เหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้ เวลาเห็นถูกหญ้าทับไว้มันก็จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาที่เราออกจากสมาธิานี้ก็เหมือนกับเอาหินที่ทับหญ้านี้ออกไปพอหญ้าไม่มีหินทับไว้พอได้แสงแดดได้น้ำหญ้าก็จะ ง, งอกกลับคืนขึ้นมาใหม่เพราะรากของหญ้ายังไม่ได้ถูกถอนออกไปฉะนั้นการใช้รูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีในการระงับ กา ร, ร ม, มาตัญหาคือความอยากเศษกามนี้ก็ระงับได้แบบชั่วคราวในขณะที่เข้าไปในสมาธิในขณะที่อยู่ในรูปปัจจานหรืออยู่ในรูปปัจจานแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิความอยากเศษกามก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่พอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดความอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสหรือถ้าให้เห็นเพียงแต่คิดถึงมันก็ทําให้เกิดความอยากเศษได้เพราะว่า รากของมันคือความหลงยังยังไม่ได้ถูกถอดถอนออกความหลงคืออะไรคือความหลงที่ไปคิดว่าการเสพกามนี้เป็นสุขนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันเป็นทุกข์เพราะว่าถ้าเสพกามแล้วมันก็จะติดก็ยังเสพได้เรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ถึงจะเสพกามได้แล้วพอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายอันใหม่อีก เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายไปเรื่อยๆ น, นี่คือเรื่องของรากเหง้าของการมาตัญหาคือไม่เห็นโทษของการเสพการไม่เห็นโทษของการบุคุณว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเสพครั้งนี้แล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากมันก็จะจางหายไปพอมันจางหายไปความหิวความอยากจะเสพก็โผล่กลับขึ้นมามาอีก มันก็จะโผล่มาอยู่เรื่อยๆความอยากจะไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าตราบใดเรายังไปเสพเศรษการมตามความอยากอยู่เรื่ อ, อ, อยๆวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเสพการามอยู่เรื่อยๆก็คือเราต้องเห็นโทษของการเสพกามเห็นโทษของกามมรคุณห้าว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่สามารถให้ความสุขแบบ ย, ยั่งยืนได้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้ให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดได้ คือต้องเห็นว่ามันเป็นตายรักษอันนี้คือปัญญาที่จะมาสอนที่จะมาถอนรากเหง้าของความหลงรากเหง้าของความอยากคือการมาตัณหาพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าการเสพกามนี้จะนําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็หยุดนันเสียเวลาเกิดความอยากแล้วก็ทําใจเฉยๆ เพราะว่าเรามีสมาธิเราทําสมาธิได้เราก็ทําใจให้นิ่งๆเฉยๆได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ฝืนมันด้วยการใช้ทำใช้ความนิ่งใช้อุเบกขาที่เราได้จากสมาธินี้มาสู้กับความอยากพอเราสู้กับความอยากเราฝืนความอยากได้ความอยากที่เคยมีกําลังมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนลงไปจนกระทั่งมันก็หยุดไปหายไปเลยพอมันหายไปเราจะรู้สึกใจเราโล่งขึ้นมาทันทีอ้อ เมื่อก่อนนี้ถูกอำนาจของความอยากนี้คอยดึงให้เราไปทํานู่นทํานี่อยู่เรื่อยๆพอตอนนี้เราสู้มันเราไม่ยอมทําตามคําสั่งของมันพอมันพอเรามีกําลังสู้มากกว่ามันมันพอมันสู้เราไม่ไหวมันก็มันก็หมดกําลังลงมันเหมือนกับสองฝ่ายที่ชักกระเยาะกันเนี่ยขณะที่ชักกระเยอะกันถ้าทั้งสองฝ่ายมีกําลังก็ต่างฝ่ายก็ต่างดึงก็จะรู้สึกตึงเครียดกัน แต่พอฝ่าย ไ, ได้ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ปั๊บเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาเลยไม่เครียดไม่ตึงเครียดเพราะฝ่ายต่อต้านเขาอ่อนกำลังลงเขายกเขายกทงขาวขึ้นมานั่นแหละคือลักษณะเวลาทุกครั้งที่เราชนะความอยากมันจะรู้สึกอย่างนั้นตอนที่มีความอยากสรุปความอยากนี่มันเครียดมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้อยู่ในใจเรานั่นไปหมดแต่พอ ความเครียดมันพอพอความอยากมันยอมแพ้เรามันยอมมันหยุดท่นั่นน่ะความตึงเครียดต่างๆที่มีในใจก็จะหายไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบทันทีแล้วรู้ว่าต่อไปนี้ความอยากอันนี้มันจะไม่สามารถมาดึงให้เราไปทําต่างที่มันเคยดึงให้เราไปทําได้อีกต่อไปอันนี้แหละคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากในการเสแรูปเสียงกิงนเรืนี้มันเป็นทุกข์ เป็นตัวเป็นตัวสร้างความเพียรให้กับใจของเราถ้าต้องการให้ความเพียรของใจของเราความทุกข์ของใจเราหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ด้วยการไม่ไปทำตามความอยากและการที่เราจะไม่ไปทำตามความอยากได้เราก็ต้องเห็นว่ามันสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเป็นสุขเดียวเดียวสุขได้ขขณะที่เราได้เสพมันใหม่ๆพอหลังจากได้เสพไปแล้วสักพักมันก็จะจางหายไป หรือถ้ามันไม่หายไปมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองของต่างๆในโลกนี้ต่อให้ดีให้วิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าต้องคอยเสษต้องเสษอยู่เรื่อยๆจำเจเดี๋ยวมันก็เบื่อเองให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแกจ่จิตความสุขแกจ่จิตใ จ, จ, จได้อย่างยั่งยืนถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาอยากแล้วไม่ได้เสกก็จะทาให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา แต่ถ้าเราฝืนความอยากนี้ได้ด้วยกำลังของสมาธิด้วยกำลังของอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิมาความอยากมันก็จะสู้เราไม่ไหวมันก็จะย่อยสลายหายไปพอมันหายไปปั๊บใจก็นิ่งสงบเป็นสุขขึ้นมาทันทีนี่แหละคือวิธีที่เราจะใช้ต่อสู้กับความอยากชนิดต่างๆไม่ว่าความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีหรือความอยากที่จะรักษาร่างกายของเรา ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็เช่นเดียวกันเวลาร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายจะตายนี่เราจะทุกข์มากจะเครียดมากเพราะเราพยายามที่จะดึงมันไว้เราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยสร้างความตึงเครียดให้กับใจแต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ ah ป่วยไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายไม่ได้พอพิจารณาเห็นความจริงอันนี้แล้วก็ยอมรับความจริงคือหยุดต่อต้านหยุดหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้อาการเครียดอาการทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปหมดเลย ต่อไปใจก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาถอดถอนความอยากสมาธินี้เพียงแต่คอยกดเอาไว้ท่านเองยังไม่สามารถทำให้ความอยากตายไปได้เพราะรากเหง้าของความอยากคือความหลงยังมีอยู่ยังไปหลงที่ว่าสิ่งที่อยากได้เป็นสุขเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาแต่พอ ใช้ปัญญาที่พระเจ้าสงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาพิจารณาเห็นเห็นจริงเห็นจังเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์เวลาที่สิ่งที่มันให้ความสุขกับเรามันมันเสื่อมไปเรื่อยมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใคร ห้ามมันได้มันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราต้องเห็นความความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าเราไม่มีใครสามารถไปห้ามไม่ให้มันอยู่แบบเที่ยงได้ไม่ไม่สามารถไปสั่งให้มันอยู่แบบไม่มีวันเสื่อมได้พอเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะยอมรับความจริงแล้วเราก็จะไม่กล้าอยาด อยากไปแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะสิ่งที่ได้มามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือมันอาจจะหมดไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเอามาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาเราก็อยู่แบบไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้พอเวลาเราหยุดความอยากได้จิตก็จะกลับมาสู่กลับมาอยู่ในสภาพของความสงบเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิ นี่คือขั้นขั้นแรกของการละความอยากคือละกามตัญหาละความอยากจะเสบรูปเสียงจิตรดเราต้องใช้กำลังของสมาธิที่เราได้จากรูปปัจานหรืออารูปปานนี้มาสู้กับความอยากหยุดความอยากให้ได้พอเราละกามตัญหาได้แล้วเราก็ต้องมาละาละรูปประชานอารูปปะชานละการเสบรูปปัจานหรืออารูปประชาน เพราะว่าถ้าเราไปติดรูปประชานหรือวรูปประชานมันก็เป็นเหมือนกับการติดกามติดติ ด, ตดยาเสพติดเหมือนกันเพราะรูปประชานหรือรูปประชานมันก็เป็นของชั่วคราวมันให้ความสุขความสงบในขณะที่เราเข้าฌานไปแต่พอเราออกจากฌานมาความสุขความสงบที่ได้จากฌานก็จะาหายไปและเหตุที่ทำให้ความสุขหรือความความสุขที่ได้จากรูปประชานหรือรูปประชานหายไปก็คือความอยากจะได้ความสุขอย่างยั่งยืนถาวร อยากให้จิตสงบอยากให้จิตอยู่มีความสุขแบบในรูปฌปานตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในในในรูปฌปานหรือไม่ในรูปฌปานแต่รูปฌปานนี้จะให้เราอยู่ได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเวลาออกจากรูปฌปานมาความสุขที่ได้จากรูปฌานก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์อยากจะให้ใจเราสงบไปตลอดเราก็ต้องละ ก, การเสพ รูปประชานหรือรูปประชาอยาประยากเสพรูปประชานาะะเพระาะความอยากนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสงบความสุขใจเวลาที่ออกมาจากเอาจากรูปประชาเหลือรูปประชา น, อปปชานนะพอเห็นโทษของการมีความอยากเสพรูปประชานูปประชานเราก็ต้องเลิกเสพมันก็มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่เป็นยาเสพติดที่ที่มีคุณค่ามากที่สุดมีโทษน้อยที่สุด แต่เราก็ต้องจําเป็นจะต้องละมันเพราะถ้าเรายังติดการเสพรูปประชานหรือลูปประชานอยู่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดในรูปภพปหรือรูปภพอยู่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเจริญรูปประชานลูปประชานต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องละการอยากจะเสพรูปประชานหรือรูปประชานพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขัขงแน้าตาเหมือนกับ เหมือนกับการมาคุณห้าเหมือนกับการนทุกมันก็เป็นตายรักทั้งหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักหมดพอเห็นว่าเป็นตายรักก็ไม่เอาเวยก่พอไม่เอาก็ความอยากที่เคยมีก็จะหายไปหมดไปจากใจใจก็จะอยู่แบบบยสุดธไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เพราะไม่มีความอยากตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในรูปประชานรออรูปประชาน และเป็นความสุขที่ดีกว่ารูปฌานหรืออรูปฌานเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือความสุขของพระนิพพานนี่พานี้เป็นปรมังสุขังนิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่เลิศที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เกิดจากการระงับตัณหาความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ระงับการมตัณหาได้ระงับภาวะตัณหาได้ระงับวิภาวะตัณหาได้คือระงับความอยากเสกกามได้ระงับความอยากจะเสกรูปประจานได้ระงับความอยากจะเสกรูปประจานได้พอระงับความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความหิวสร้างความโหยสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับใจต่อไปใจก็จะเนิ่งสงบสุขไปตลอดไม่ม uh like ีวันสิ่นสุด แล้วก็จะเป็นใจที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในตายพบเพราะความอยากเสดการมก็ไม่มีเมื่มีไม่มีความอยากจะเสด็การมก็ไม่กลับมาเกิดในกรรมมาพบเมื่อไม่มีความอยากจะเสบรูปประชานก็ไม่ไปเกิดในรูประพบเมื่อไม่มีความอยากจะเสบเอารูปประชานก็จะไม่ไปเกิดในรูประพบใจก็จะไม่ต้องกลับเข้ามาในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย ใจก็จะอยู่นิพนานแต่นิพนานนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นที่ศูนย์สลายหายไปของใจใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจก็ยังเป็นใจเดิมอยู่เพียงแต่เป็นใจที่สะอาดบริบสุทธิ์เท่านั้นเองเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วมันก็โสกโปกพอโสกโปกเราก็ต้องเอาไปซักพอเราซักเสื้อผ้าเสร็จคราบสกโปกทั้งหลายที่ติดเสื้อผ้าก็จะหายไปหมดแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปเสื้อผ้าก็ยังอยู่ต่อไปฉัในใดใจของเราก็เหมือนเสื้อผ้า ใจของเราตอนนี้เป็นใจที่มีคาบสโปกคือกิเลสตัณหาอาวิชชาโมหะเครื่องเศร้าหมองที่ทําให้ใจเราเศร้าทําให้ใจเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเราใจนี้เข้าเครื่องซักฟอกเครื่องซักฟอกของใจก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ทําบุญทําทานรักษาศีลบําเพ็ญจิตตภาวนาพอซักฟอกไปจนกระทั่งคาบโสโปรกต่างๆที่มีอยู่ในใจหายหมดไป ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจไม่ได้หายไปไหนคาว่าปรมังสุญญยังนิบานังปรมังสุญญยังก็คือหายจากคาบสกปรกทั้งหลายคาบสกปรกทั้งหลายที่มีในใจหายไปหมดความทุกข์ต่างๆภพชาติต่างๆหายไปจากใจหมดใจไม่กลับมาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่มีภพชาติไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความทุกข์ต่างๆอยู่ในใจ เป็นใจที่ว่างเปล่าจากสิ่งต่างๆคําว่าว่างนี่ไม่ได้หมายคำว่าหายไปไหนคําว่าศูนย์นี่ไม่ได้หมายคำว่าเลขศูนย์คำว่าศูนย์นี่หมายถึงว่าว่างไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมีแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจก็คือบาลมัสุขนิบานังบาลมังสุกถังนี้เท่านั้นเอง ง น, นั้นผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวนิพพานอย่าไปคิดว่าพอไปถึงนิพพานแล้วตัวเราจะอันตรหายไปเลยกลายเป็นศูนย์ไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันศูนย์ไม่ว่าจะเป็นใจของผู้มีกิเลสอย่างพวกเราหรือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระ า, ารนนท์นี้ท่านก็ยังมีมมอยู่เป็นอยู่ของท่านอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใจของท่านไม่มีความทุกข์ใจของพวกเราที่มีกิเลสตัณหามีภพแชิเรายังต้องมีความทุกข์อยู่ เรายัางต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาจนเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วเท่านั้นพอพอกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้ถูกกำจัดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา แต่ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่เดิมยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ต่างตรงที่ว่ามันเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นเองเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่โสกปรกพอเราไปซักเสร็จเสื้อผ้าก็ยังเป็นเสื้อผ้าแบบตัวเดิมอยู่นั่นแหละมีแขนมีอะไรเหมือนเดิมอยู่ต่างกันตรงที่มันสะอาดมันบริสุทธิ์มันไม่มีสิ่งโสกปรกติดอยู่เท่านั้นเองใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ใจของผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีวันสูญหาย มีแต่จะได้ไปพบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะทําทให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้ความสําคัญยิ่งกว่าร่างกายร่างกายก็ดูแลไปตามอัตภาพพอให้มันอยู่ได้กินได้ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่เจ็บคไายได้ป่วยก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาให้กับการปฏิบัติเพื่อชำระสรัพกพ่อจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทิ พอเราสักพอกจิตใจของเราสะอาดโดยสุดได้แล้วใจของเราก็พ้นทุกมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือผลที่พระพุทธเจ้าได้รับและนํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าเราสนใจเรานำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับพระอริยะสงสาวกทั้งหลายที่หลังจากได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติจนชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ดได้ใจของท่านก็เป็นเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือเรื่องราวของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูแลรักษาเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริกวาหาปูราปาริกปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังปะกับปติอิชิตังปะิต um ังตุมหังคิดพเะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเต ข, าาขั้นต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะสะดวกหลังจากนั้นแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ น้ํากลามนรัศการลเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทั Facebook 339 YouTube พระาจารย์สุชาติ366 YouTube ดร V44 วิทยุออนไลน์11 Club House 3ผู้รับฟังหน้ากุติ1 78รวม941ท่านเจ้าค่ะคําถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุติเจ้าค่ะ โยมเคยเห็นโพสมีข้อความดังนี้เรื่องราวต่างๆถึงแม้จะเกิดขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังติดในใจฝังอยู่เสมอสร้างความทุกข์วุ่นวายใจให้กับเราอยู่เพราะไม่รู้จักหยุดคิดถ้าในเมื่อเราเข้าใจดีว่าการคิดแบบนี้ไม่ดีและไม่อยากคิดแบบนี้โยมอยากขอทราบวิธีการจัดการคนไกความคิดและวิธีการหยุดคิดให้ได้เจ้าคะ่ะ ใช้สติไงสตินี้เป็นเครื่อง<ม> เ, เบรกของใจเบรกความคิดใช้พุโทโธพุโทโธไปพอเราเริ่มคิดอะไรที่ไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปจนกว่าความคิดนั่นมันจะหายไปแล้วเราก็หยุดพุดโทโธได้ถ้าทำมันกลับมาใหม่เราก็พุโทโธใหม่แล้วหลังจากนั้นก็สอนใจไปในตัวเนี่ยว่าอย่าคิดแบบนี้คิดล<อ>แล้วมันทุกข์เดี๋ยคิดได้แล้วอพอเห็นพอเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ต่อไปมันก็ไม่กล้าคิดเอง การทำบุญให้คุณแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วมีวิธีการทำบุญแบบใดบ้างที่ได้บุญมากเจ้าคะวิธีเดียวก็คือทำบุญให้ทานเนี่ยลักบาทถถวายสังฆทานหรืออะไรก็ให้ทานจะให้โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ถ้าไม่ไม่สะดวกที่จะให้กับวัดถ้าเห็นว่าวัดมีเหลือเฟือแล้วก็ไปให้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนแทนก็ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ทาทานอุทิศบุญไม่ได้สอนให้ทาอย่างอื่นอุทิศบุญ เวลานั่งสมาธิแล้วเน็บกินขาโยมจะใช้วิธีพิจารณาทุกขเวทนาและกำหนดจิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทำแบบนี้ถูกไหมและจริงๆแล้วเวลานั่งสมาธิเราสามารถขยับตัวได้ไหมเจ้าคะคือถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือต้องการปล่อยเวทนาไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเกิดมันดับของมันเอง วิธีนี้จะทำให้มันไม่ใจไม่ไปยุ่งกอบมันแล้วก็ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือมีสติเช่นทำบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาเกิดอาการเจ็บชาขึ้นมาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปขยับร่างกายเพื่อให้มันหายเพราะถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็จะไม่ปล่อยเราไปเราไปจัดการกระเวทนาด้วยการขยับร่างกาย ที่เราต้องฝึกไม่ไม่ไปไปยุ่งกับมันเพราะว่าต่อไปเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนน่อเราให้เราขยับยังไงมันก็ไม่หายถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับมันเราก็ต้องทำใจให้นิ่งเฉยให้ได้ด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆช่วงเวลาใกล้สอบจะรู้สึกกดดันทำให้ไม่อยากอ่านหนังสือและกลัวว่าจะทาข้อสอบไม่ได้ ขอสอบถามว่าจะต้องสู้กับความรู้สึกกดดันอย่างไรเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือสอบต่อไปได้ครับก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะสอบเลยต้องเตรียมทุกวันก่อนจะสอบไม่ใช่มาเตรียมตอนเวลาจะใกล้จะสอบเพราะเวลานั้นมันจะเครียดมากเพราะรู้ว่าเวลาไม่พอเราต้องทําการบ้านทำอะไรเตรียมตัวไว้ทุกวันตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันใกล้สอบเราก็เพียงแต่มาทบทวนเท่านั้นเอง ไม่ใช่มาม า, ม า, ม, ามาทำข้อสอบตอนใกล้จะเข้าสอบมันจะทำไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะให้หายเครียดก็คืออย่าไปอย่าไปอยากทำให้ดีที่สุดได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของของความสามารถของเราถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเรายัางมีความสามารถไม่ดีพอเราเตรียมตัวเรามาไม่พร้อมไม่มากพอก้าวต่อไปเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้มากกว่านี้เราก็จะหายเครียด ก็ยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีพ่อหนูชอบบ่นว่าแกอายุมากแล้วเดี๋ยวก็จะตายแล้วคนนู้นคนนี้ก็ตายไปแล้วหนูก็เลยปลอบใจเขาว่าเวลาตายก็เหมือนกับนอนหลับไม่น่ากลัวหรอกพอกลัวพ่อกังวลเรื่องความตายแต่หลังๆจากนั้นมาแกก็เลิกกังวลแบบนี้หนูโกหกพ่อใหม่เจ้าค้าเป็นบาปหรือเปล่าอ้า คุณพูดคุณไม่รู้ว่าคุณพูดโกหกหรือไม่โกหกอ่าความตายมันก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนะเวลานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายวิมุติสุขของพระอรหันต์ในขณะที่ยังทรงธาตุขันธ์กับดับธาตุขันธ์ไปแล้วต่างกันหรือไม่หากท่านดับขันธ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุฉับพลันท่านจะตั้งจิตเข้านิพพานได้ทันหรือไม่คะ อ๋อไม่ต้องตั้งนะเพราะอยู่ในพระที่ของท่านอยู่ในนิพพานตลอดเวลาที่ท่านปล่อยวางร่างกายตลอดเวลาฉะนั้นท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการเป็นการตายของร่างกายแต่อย่างไรการปฏิบัติ ควรเริ่มรู้เห็นจากของอยากคือเห็นกายให้ชัดก่อนเมื่อเห็นกายแล้วจึงมารู้เห็นและละอารมณ์คือนามธรรมจากนั้นจึงจะเข้าถึงตัวธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องละความอยากต่างๆละความอยากเกี่ยวกับร่างกายละความอยากเกี่ยวกับเวทนาละความอยากเกี่ยวกับธรรมอารมณ์ พารได้หมดแล้วจิตก็จะสาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาโยมฝึกปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นฝึกแบบอาณาปานสติดูจิต พอฟุ้งก็จะมีสติรู้ลมหายใจดึงจิตกลับมาได้เร็วมากแต่มีข้อสงสัยว่าทำไมจิตไหลไปคิดจะมีจิตอีกจิตหนึ่งคอยเตือนตลอดว่าอยากคิดให้มาอยู่กับปัจจุบันจิตแบบนี้คืออะไรเจ้าคะและจะต้องแก้ไขอย่างไรอ๋อจิตดวงเดียวเนี่ยแต่มันคิดไปทางดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เวลาภาวนาอนาปนาสติอย่าไปดูจิตให้ดูลม อย่าไปสนใจกับเรื่องของจิตจิตจะคิดดีไม่ดีอย่าไปตามรู้มันให้ดูลมหายใจถ้าดูลมหายใจแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไปเองพระอริยะขั้นสูงสุดจะมีสติตัวรู้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเพ่งหรือต้องบังคับและรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราของเขาเใช่ไหมครับก็ พ, พิสูจน์เอาซิ โยมได้ยินคำกล่าวที่ว่าให้นั่งสมาธิจนชำนาญในจุดเข้าออกของสมาธิเป็นอย่างไรคะเพราะโยมคิดเอาเองว่าจุดเข้าคือภาวนาให้เกิดจิตรวมจุดออกคือถอนตัวจากสมาธิแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะนั่นแหละให้เข้าออกได้ชำนาญคือออกไม่สำคัญนะสำคัญที่เข้าเวลาที่เราต้องการเข้าไปในสมาธิเราเข้าได้ทันทีหรือไม่ ต้องฝึกจนกระทั่งเราสามารถสั่งได้เวลาไหนอยากจะเข้าสมาธิก็เข้าได้อันนั้นเรียกว่าเราชํานาญจุดออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิควรจะถอนออกแบบทันทีหรือควรค่อยๆผ่อนออกเจ้าคะ่ะก็ถอนด้วยสติให้มีสติอยู่จะทันทีแล้วค่อยๆก็ไม่ไม่สําคัญสําคัญที่เราจะรักษาสติต่อไปให้ได้ เวลาป่วยเป็นไข้หวัดต้องทานยาเพื่อรักษาอาการปวดหัวน้ำมูกไหลหายใจติดขัดลมออกจมูกเพียงข้างเดียวลูกต้องทานยาให้หายก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติหรือทานยาไปด้วยแล้วปฏิบัติตามไปทุกวันถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เพราะการปฏิบัติอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายัน้นถึงแม้ร่างกายจะ โดยไม่ได้นั่งไม่ได้ก็สามารถนอนปฏิบัติได้การเจริญสตินี้สามารถเจริญได้ทุกปีริยาบทถ้าดูลมหายใจไม่สะดกวกเพราะ ม, มีอาการคัดจมูกก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้คําบริกรรมพุทโธแทนก็ได้หรือการใชอ้อาการ32อาการใดาอาการหนึ่งนึกขึ้นมาในใจก็ได้เช่นนึกถึงโครงกระดูกหายใจเกาะติดอยู่โครงกระดูกไปเรื่อยๆก็ได้อะใจก็จะสงบเย็นสบาย โยมสวดมนต์เจอบทที่กล่าวว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงอะไรเจ้าคะไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นของธรรมชาติไม่มีใครไปสั่งมันได้ว่าให้มันเที่ยงไม่ให้มันเสือ่อมไม่ให้มันดับสั่งไม่ได้เช่นร่างกายของเรานี้เราไปหลงคิดว่ามันของเราแต่ความจริงมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติให้เรายืมมาใช้ชั่วคราว เอเดียววันหนึ่งธรรมชาติก็จะข อ, อกลับคืนไปไม่มีคำถามก็้ามาครับคำว่าหน้าตาก็คือไม่มีตัวตนตัวตนนี้เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาในใจเราสมมติว่าเราเป็นตัวตน ม, มต่เมื่าความจริงเราเราใช้ความคิดนี้สมมุติขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดแล้วตัวตนนี้ก็จะหายไปเพราะมันเป็นเหมือนนิยายที่คนเขาแต่งขึ้นมา พอเลือกแต่งนิยายตัวตนก็จะหายไปเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นไม่มีเป็นใครเป็นเจ้าของเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับเกินสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไปวันวันใดวันหนึ่งถ้าเราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะอยากอยากให้มันอยู่กับเราอยากให้มันไม่จากเราไปพอ เ, เกิดความอยากก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทุกในอริยสัจสี่ งั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ในใจด้วยความอยากเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เรายืมเข้ามายืมธรรมชาติมาวันหนึ่งธรรมชาติก็ขอเอาคืนไปพอถึงเวลาเขาเขาต้องการคืนไปเราก็ยกให้เขาไปด้วยการทําใจเฉยๆอย่าไปอยากให้ไม่ไปไปหรือไปแล้วอย่าไปอยากให้กลับบางคนคนตายจากกันแล้วบางทียังเศร้าโศกเสียใจเป็นเดือนเป็นปี ก็ยังอยากให้เขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมายังอยากไม่ให้เขาไปอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรามอาความจริงแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เพราะมันเรื่องของธรรมชาติเราต้องยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงอะไรจะจากเขาปล่อยเขาจากไปอะไรยังอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราทําใจเฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา การเข้าสมาธิจนชำนาญคือการจดจำอารมณ์สมาธิไว้แบบนี้ใช้ได้ไหมครับไม่ใช่หรอกการจดจำสติไม่ใช่จดจำอารมณ์ให้รู้ว่าการรักษาสติของเรารักษาอย่างไรที่มันต่อเนื่องไม่เผลอไม่พังไม่เผลออันนี้ต้องจาให้ได้วิธีที่เราจะมีสติมีได้อย่างไรเช่นหลวงตามหาบัวท่านเคยเล่าว่าท่านเคยเคยจิตเสื่อมสมาธิท่านเสื่อม พราะท่านเอาเวลาไปทําโกรธอยู่เดือนหนึ่งเวลานั้นท่านไม่ได้จเจริญสติเลยท่านมัวแต่ทําแต่โกรธคิดแต่เรื่องโกรธพอถึงเวลาจะเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้เพราะว่าท่านลืมวิธีเข้าไปพอท่านมาเรื่อยๆอีกทีว่าเมื่อก่อนท่านเข้าได้อย่างไรถ้านว่าเราต้องใช้พุโทโธพุโทโธต้องต้อ ง, องจเจริญสติท่านก็เลยกลับมาจเจริญพุทโธตั้งแต่ตื่นไปจนหลับเลยถ้าหลังจากนั้นไม่กี่วันจิต ก, ก็กลับเข้าสู่ความสงบได้ แตเราต้องรู้จักเหตุที่ทําให้จิตสงบเหตุที่ทําให้จิตสงบก็คือสติวิธีเจริญสติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้พุทโธบางคนอาจจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกบางคนอาจจะใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็สุดแท้แต่แต่ต้องมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดจิตให้จิตเ ข, เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าเรามีภาระหน้าที่อยู่ทั้งโลกแล้วไม่อยากให้มีความทุกข์มาก แต่ก็เข้าใจว่ายังไงก็มีการกระทบในทุกๆเรื่องเป็นธรรมดาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าใช้สมาธิปัญญาอย่างเด็ดขาดจริงๆจะพออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์คือสามารถวางเฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างพ้นทุกข์ใหม่เจ้าค่ะเพราะตอนนี้โยมพยายามทำอยู่อย่างรู้สักแต่รู้และจะเพิ่มสมาธิให้บ่อยยิ่งขึ้นเจ้าค่ะก็ต้องดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะหนาวจะร้อนเราไปสั่งเขาไม่ได้เราจะเจอคนแบบนั้นแบบนี้เขาจะทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศเราก็อย่าไปอยากควบคุมบังคับของเขาไปเราก็เฉยๆไปเท่านั้นเองใจเราก็จะไม่เดือดร้อน ถ้ามีความไม่สุขสบายเกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเฉยๆแล้วก็วางเฉยอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้หมดเหตุปัจจัยเดี๋ยวเขาก็เลิกบวดเมื่อยเองทำอย่างนี้ได้ไหมครับก็ลองทำดูสิทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีคำถามโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหม